ต่อเมื่อคุณเนี่ยสะสมกำลังกุศลนี่มากพอจใจคุณเริ่มจะลดกิเลสกลัวลดกิเลสอายเนี่ยลงไม่ได้แล้วมันจะกล้าพูดในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันจะกล้ามากขึ้นแม้แต่ความกลัวแม้แต่ความอายพวกนี้กิเลสทั้งนั้นนะเป็นอกุศลทั้งสิน้นอันถึงบอกว่าคุณต้องสั่งสมกุศลเนี่ยมากพอ มากจนกระทั่งคุณสามารถเอาชนะไอ้อกุศลพวกนี้ได้คุณถึงจะหลุดวจีกรรมที่เป็นกุศลออกมาได้ไม่อย่างนั้นล่ะไปตามอารมณ์ไปตามจิตไปตามความคิดเนี่ยหรือแม้แต่ศิงห์ข้อห้าก็ตามนะยิ่งเรื่องความเมาเนี่โอ้โหยิ่งละเอียดยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะข่าวนี้นี่ไม่เคยไม่ใช่เรื่องที่จะรู้ง่ายๆล้วเพราะศีลห์ข้อห้านี่เป็นเรื่องของความ หลงหลงผิดหรือว่ามัวเมาซึ่งคําว่าเมานี่หมายถึงว่าเราคิดว่ามันดีเราคิดว่ามันอร่อยเราคิดว่ามันเป็นสุขเราคิดว่ามันเป็นสิ่งสวยงามเขาถึงเรียกว่าเมาถ้าคุณรู้เป็นกุศลขึ้นมาว่าโอโ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราไปติดที่เราไปหลงอยู่นี่นี่มันเป็นอกุศลนี่ นี่มันเป็นสิ่งเลวเป็นสิ่งชัว่วเป็นสิ่งหยาบเป็นสิ่งต่ำ convex. ถ้าคุณเริ่มรู้อย่างนี้คุณจะเริ่มเออเ อ, เ, อเราไม่น่าไปมีไม่น่าไปเป็นไม่น่าไปเอาอย่างนี้แล้วมันจะพยาออพยามสลัสดออกพยายามสลัดออกเพราะมันเป็นศีลประการหนึ่งของเรามันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรจะงดเว้นในอกุศนพวกนี้เ offerings. พราะนั้นนี่ถ้าใครเริ่มเข้าใจอย่างนี้ได้ใช่ไหมคนนั้นก็จะเริ่มเนี่ย ตัวจิตตัวใจตัวเองบ่อยๆด้วยความไม่ประมาทด้วยความไม่ประมาทมันประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยอาจะเป็นสิ่งที่คนนี้คิดอยู่เรื่อยเลยคิดอยู่เรื่อยเลยคิดในทางบวกในทางกุศลเรื่อยๆขนาดจิตไหนที่เราจับได้เอ้ยอนี่ไม่ใช่ประโยชน์ตนไม่ใช่ประโยชน์ท่านละนี่มันทําลายทั้งตนทําลายทั้งคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นจะรีบปรับจิตปรับใจ ไม่อยากปล่อยไปเพราะรู้ว่าคืนปล่อยไปเนี่ยเราจะต้องชดใช้วิบากแม้ความคิดอกุศลพวกนี้มันจะสำรวมสังวรระมัดระวังจิตตัวเองเนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆให้มากขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วคราวนี้อาตมาอันนี้พูดไปให้คุณฟังพอที่จะเข้าใจแล้วว่าเออทำไมพระเจ้าท่านถึงจะตัดสิ่งเหล่านี้ให้กับพวกเรา นะเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยไม่ประมาทแล้วก็จะมาฝึกประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคราวนี้จะพูดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่โดยทั่วั่วไปที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอบอกว่าประโยชน์ท่านเราก็มักจะเข้าใจง่ายๆประโยชน์ท่านก็หมายถึงเราทำอะไรให้กับใครเขานะซึ่งจริงๆมันก็มีสองส่วนใหญ่ๆอันนี้พูดในแง่ประโยชน์นะ ไม่ใช่พูดว่าคุณทําเลวทําร้ายอะไรให้ใครนั่นกำลังพูดถึงแล้วอันนั้นไม่เรียกว่าประโยชน์นะอันนั้นเรียกเป็นความชั่วเป็นความเลวร้วายแล้วประโยชน์อันนี้เราหมายถึงในแง่ดีในแง่กุศลแม้ประโยชน์ท่านเนี่ยที่เราทําให้คนอื่นมันก็จะมีอย่างหนึ่งก็เป็นในเรื่องของวัตถนะุในเรื่องของวัตถุในเรื่องของสมมุติวัตถุอะไรต่างๆในโลกนี้ อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในด้านของปรามัตใ น, นในด้าน <c oughs> ในด้านของจิตใจหรือในด้านของความรู้ในด้านของนามธรรมาซึ่งไม่จะเป็นรูปประธรรมประโยชน์ท่านโดยทั่วๆไปส่วนใหญ่อย่างเช่นทำบุญทำทานเป็นอาหารเป็นวัตถุเข้าของ เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของมีอะไรอะ่ะตัวตนให้เราเห็น อ, อันนี้เข้าใจง่ายอยู่แล้วใช่ไหมก็แต่ต้องได้มาโดยสุจริตนะแล้วก็ให้คนอื่นเข้าไปอันนี้เป็นประโยชน์ท่านที่เข้าใจง่ายอยู่แล้วแต่ประโยชน์ท่านที่เป็นนามธรรมใช่ไหมคราวนี้บางทีอย่างเช่นที่เราแยกอยู่สามส่วนจำได้ไมากมีวัตถุทาน ใช่ั้ยอันนี้ให้โดยเป็นวัตถุอันนี้เข้าใจง่ายอยู่แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ขึ้นไปอีกสองอย่างก็คืออย่างที่สองก็คืออภัยทานใช่ั้มแล้วอย่างที่สามก็คือธรรมทานคราวนี้แม้บางทีเนี่ยไม่ได้ให้เป็นวัตถุไม่ได้ไปให้เป็นเครองของแต่เราให้ในทางช่วยเหลือในด้านของแรงงานก็ตามหรือในด้านบางที ให้คําแนะนำให้ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นอันนี้เป็นประโยชน์ท่านอีกเหมือนกันและจริงๆเนี่ยถ้าให้แง่คิดให้ประโยชน์ในทางในทางปัญญาเนี่ยสติปัญญาจริงๆแล้วถ้าให้ได้ดีได้ถูกต้องได้เหมาะสมด้วยเนี่ยนะโอ้โหก็คุณดูสิธรรมทานหรืออภัยทานเนี่ยสูงกว่าวัตถุทานนะ วัตถุทานเนี่ยก็ได้บุญกุศลนะแต่ยังไม่เท่ากับสองอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นทั่วทั่วไปเนี่ยที่เขาให้วัตถุทานโดยที่ถ้าอภัยทานกับธรรมทานเนี่ยไม่ถูกต้องอไม่ไม่ไม่เข้าใจสัจจะเขาให้วัตถุเนี่ยก็เยอะแยะไปที่เขาให้นะบางทีเราถึงเรียกแค่ว่า น, นั้นเป็นแค่สังคมสงเคราะห์คือช่วยเหลือวัตถุในแง่ของอะไรอะวัตถุเข้าของอะไรเขาก็ยังเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปเสพอะไรตามเรื่องเขาตามกิเลสเขาอันนี้คุณช่วยแค่ปากแค่ท้องผู้คนหรือประชาชนโดยที่เรียกว่าแค่ให้ในด้านวัตถุร่างกายที่เขากินเขาโตอะสมมุติคุณให้อาหารไป เหมือนพ่อแม่ก็ตามพ่อแม่บางคนเลี้ยงลูกเนี่ยให้แต่วัตถุเข้าของขนะเพราะฉะนั้นนิสัยใจคอเขาจะดีจะเลวนี่พ่อแม่ไม่รู้เรื่อง<ๆ>เผลอเผอบางทีสอนลูกผิดผิดด้วยแต่ทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างอื่นให้หมดเลยเลี้ยงดูนี้ให้หมดเลยบำรุงบำรบเรอให้อย่างดีเลยแต่ทางด้านบางทีเห็นไหมจิตวิญญาณ น, นี่บางทีสอนผิดผิดด้วย อสอนไม่ไม่ถูกศีลธรรมเลยบางทียังสอนเลยบางทีให้เอารัะเอาเปรียบคนอื่นเขาก็เอาก็สอนเนี่ยเพียงแค่คิดอยู่แต่ว่าให้ลูกตัวเองสบายให้มีความสุขอะไรก็พอใจแล้วโดยที่บางทีเนี่ยจะเอาัดเอาเปรียบคนอื่นเขานะหรือแม้แต่บางทีไปคดโกงคนอื่นเขาก็ยังให้ทำเลยมันจะให้เห็นเนี่ยถึงบอกว่าถ้าโดยแค่วัตถุเนี่ยทาไมเป็น บุญที่ต่ำกว่าสองอย่างนี้ก็เพราะเหตุผลพวกนี้นะซึ่งถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะเริ่มเออเริ่มที่จะช่วยเหลืออะไรใครเนี่ยอย่าเป็นแค่สังคมสงเคราะห์ควรที่จะช่วยให้ถึงจิตวิญญาณ น, นโดยที่บางทีเนี่ยวัตถุเข้าของแม้แต่อย่างเช่นเนี่ยเราเปิดลงบุญเราแจกอาหารถ้าแจกไปแล้วเขามีแต่ขี้โลภอีเราก็ได้บุญนะ แต่ว่ามันได้บุญแค่พวกวัตถุทานเท่านั้นแหละส่วนบุญในเรื่องที่เรียกว่าเออจะทําให้เขาเข้าใจธรรมมากมากขึ้นเขารู้เรื่องบุญกุศลแล้วเขาก็มีจิตที่เผื่อแผ่คนอื่นไปด้วยเพราะว่าเขาได้รับความเผื่อแผ่ออันนี้อันเนี้ยเป็นประเด็นสําคัญเพราะอันนี้แหละจะช่วยโลกไว้ได้เพราะคนเราเนี้ยโลกเนี้ยจะไปรอดหรือไปไม่รอด ส่วนใหญ่อยู่ที่ปัญหาจิตใจของคนไอทรัพยากรหรือวัตถุเข้าของจริงๆเนี่ยเอากันจริงๆมันไม่ขาดแคลนหรอกถ้าคนเรามีจิตใจที่ดีใช่ไหมมันช่วยเหลือกันเนี่ยไปรอดทั้งประเทศชาติทั้งโลกนี้แหละไปรอดแน่นอนแต่ที่มันจะพังแล้วมันจะแยกกันอยู่ทุกวันนี้เพราะนี่แหละเพราะว่าไอ้ด้านจิตใจเนี่ยมันมันแย่มากๆเพราะนั้นคุณคิดดูสิ เอาแค่สังคมสงเคราะห์เนี่ยคิดดูแค่หยาบๆว่าทาบุญในเรื่องวัตถุเนี่ยถามคุณหน่อยเถอะว่าพอเพียงไหมที่จะช่วยเหลือคนในโลกเนี่ยแค่วัตถุทานเนี่ยคุณว่าพอเพียงไหมไม่พอหรอกที่ไหนที่ไหนก็ยังขาดแคลนทั้งนั้นนะ่ะใช่ไนี่แค่วัตถุนะยิ่งมาต้องมาพูดถึงไอ้เรื่องจิตใจหรอกว่ายิ่งขาดแคลนหนักในเรื่องวัตถุอีกหลายร้อยเท่า เพราะมันยิ่งยากกันเลยที่คนเนี่ยจะเข้าถึงสัจธรรมแล้วก็จะยิ่งรู้ว่านี่เป็นอกุศลนะแล้วนี่เป็นกุศลนะวนันานวันเนี่ยคุณไม่ต้องไปแปลกใจหรอกจะเป็นหวยการกุศลมั่งจะเป็นอะไรอีกอะไอที่เขาบอกว่าการกุศลการกุศลเนี่ยแต่จริงๆแล้วอบายามุกทั้งนั้นเลยไม่แปลกใจหรอกเพราะนั่นแหละนั่นแหละ คนเข้าใจแก่เรื่องวัตถุเท่านั้นแหละนะแต่ทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยโอ้โหหยาบแล้วก็หลงผิดเข้าใจผิดหนักข้อขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งยิ่งแก้ปัญหาอย่างนั้นนะ่ะปัญหายิ่งมากขึ้นแล้วโลกก็จะพูดง่ายขอใช้ภาษาที่เข้มขนนะ้นว่าโลกก็จะฉีบหายเหมือนกับในชาดกอ่ะนะนะท่านก็ในชาดกมีอยู่เรื่องเนี่ยนะนะ เป็นแบบว่าเทวดาลงมาจะมาปวดมนุษย์ในโลกนี้เพราะอะไรหรจะเป็นพระอินทร์หรือไงเนี่ยพระอินทร์ก็บอกว่าเนี่ยโลกจะพินาศแล้วโลกจะจีพายแล้วเพราะว่าคนมันเป็นอย่างเงี้ยมันในที่สุดก็เลยต้องโหตามเนื้อเรื่องนี้ก็เหมือนกับแหมต้องแสดงฤทธิ์เดชอนุภาพงลงมาสู่โลกมนุษย์เสร็จแล้วก็เอาหมาดำตัวใหญ่มาด้วยนะ ที่เรียกว่าจะมากัดกินผู้คนเพราะว่าหมาดำเนี่ยจะมากัดกินเฉพาะคนเร็วๆหลายๆทั้งหลายเอามางคูนั่นเองเอามางขู่คนเร็วคนคิดชั่วคิดไม่ดีพวกนั้นก็กลัวกันใหญ่ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยสุนัขตัวเนี้หมาดําตัวนี้นะเฮาแต่ละทีนี่แหมเสียงยังกับสายฟ้าฟาดเลยนะโอ้โ ห, โหผู้คนพากันแตกตื่นทั้งเมือง เพราะเพราะว่าคนเกิดทั้งเมืองน่มันมันชั่วสส่วนใหญ่เลวสส่วนใหญ่พูดอย่างนี้อาจจะหนักข้อหน่อยนะแต่มันจริงๆเพราะน้อยคนนะน้อยรายอันตมายยืนยันอีกว่าที่จะคิดดีที่จะคิดเป็นกุศลคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นประโยชน์ท่านแล้วก็เป็นประโยชน์ตนด้วยเนี่ยน้อยรายมากในโลกนี้ขนาดว่า เนี่ยมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมที่นี่กันก็ตามอาจารย์มา ถ, ถึงบอกคุณว่าคุณลองไปจดบันทึกดูซี่แล้วคุณจะรู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนันขนาดพวกเรานี่แบบหบางทีไม่จะคิดหยาบอะไรจนไกลเกินนะพวกเรายังไงก็มีสติมีศีลคอยเตือนอยู่อย่างไงเนี่ยพอจะคิดหยาบคิดเร็วอะไรมากๆว่าจะรู้ตัวจะรีบดึงกลับมา นะไม่ไม่กล้าไปคิดเร็วเพราะกลัววิบากกรรมในด้านความคิดส่วนคนโลกโลกเนี่ยที่ไม่ศึกษาเรื่องธรรมะไม่ใส่ใจอะไรเขาไม่สนใจเลยเขาจะคิดชั่วคิดเร็วเขาจะคิดรามกอนาจารเขาจะคิดยังไงเขาคิดไปเรือ่อยอย่าคุณแล้วก็ถือว่ามีความสุขด้วยนั่นแหละแล้วก็เคลิ้มไปเลยเขาเคลิมไปเลย ซึ่งจริงๆแล้วนำวินนนนบากมันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดจะต้องชดใช้ทั้งสิน้นไม่มีฟรีแม้ความคิดเราเองคิดไปแต่ละครั้งอย่าคิดว่าฟรสาสีคิดไปแต่ละครั้งเก็บสะสมคิดไปแต่ละครั้งเก็บสะสมเพียงแต่สะสมดีหรือสะสมชั่วเท่านั้นแล้วทั้งหมดที่สะสมจะมาเล่นงานคุณทั้งหมดเลยร่างกายนี้ใช่ไหมคุณไปทําบาปคุณเอา เอาไม้ไปแทงใครเขาเอามือเนีย่ยจับมีดไปแทงใครเขาแต่เดี๋ยวร่างกายนี้คุณทิ้งไว้ในโลกถ้าตายแล้วคุณไปเกิดใหม่คุณก็ได้ร่างใหม่ใช่ไหมเป็นตัวตนคนใหม่แล้วอ่ะไ อ, รอ้ร่างกายเนี่ยวัตถุภายนอกร่างกายนี้เป็นอย่างนั้นแต่จิตวิ ญ, ญญาณไม่เป็นอย่างนั้นจิตวิ ญ, ญญาณดวงเดิมดวงเก่าเรายี่ห้อนะมันไม่ใช่ดวงใหม่เลย เพราะนั้นคุณสะสมอะไรไว้อ่ะคุณสะสมอกุศลว้ใญจิตเท่าไหร่มันเอาไปเท่านั้นคุณสะสมกุศลไว้เท่าไหร่มันก็เอาไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นคราวนี้คุณดูนะวิญญาณ น, นี้เอาไปเกิดในร่างใหม่ไม่มีใครจำได้แล้วสมมติว่าพอหน้าตาใหม่แล้วนี่แต่เขาจะจำกันได้ทางวิญญาณ บางคนเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะพอเห็นกันนี่รู้สึกอย่างกับว่าเอ๊ะมันมันเหมือนรู้จักกันมานานแล้วแหะมันรู้จักได้ทางทางวิญ ญ, ญาณไม่ใช่ทางร่างกายเพราะทางร่างกายนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะมาจากันได้แล้วมันจากันได้ทางวิญ ญ, ญาณแม้แต่เนี่ยใครจะไม่รู้นะ ใครจะมาเจอกันอีกในชาตินี้ยน่าจะตายจากชาติโน้นแล้วมาชาตินี้คุณเจอกันแล้วคุณมาอยู่เนี่ยมาเห็นหน้ากันหลัดหลัดเนี่ยก็เนี่ยก็อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรกันมาก่อนทั้งทั้งนั้นแหละแล้วถ้าบางทีเนี่ยบอกแล้วว่าคุณจําตัวตนร่างกายคุณจําไม่ได้หรอกแต่มันจะจํากันได้ในเรื่องของของพฤติกรรมนิสัยใจคอความประพฤติ จำกันได้ว่าเออนี่แหละพวกพวกเดียวกันจำกันได้ด้วยด้วยด้วยทางนิสัยใจคอทางจิตปัญญาเนี่เพราะอะไรเพราะท่านนิสัยใจคอเหมือนกันมันก็มันจะทําทํานองเดียวกันคุยกันรู้เรื่องง่ายไปไหนไปด้วยกันได้ง่ายแต่ถ้ามันมันไม่นิสัยใจคอเดียวกันนะโอ้โหกูเน้อคุยกันจะทะเลาะกันอยู่เรื่อยนะขัดกันไปขัดกันมาจนบางทีก็ด่ากันเลย ทะเลาะกันเลยนะซึ่งถ้ามันเป็นทิศทางเดียวกันแล้วมันมันแปลกจริงๆเลยมันแปลกแต่มันแปลกในทางที่จริงนะเพราะว่ามันมีเชื่อของการปฏิบัติอย่างนี้การมีจริตอย่างนี้มาก่อนแล้วเพราะในที่สุดเนี่ยจิตวิญญาณตัวนี้แม้มาได้ร่างใหม่มันก็ยังคงมาต่อ ต่อไอ้อย่างที่คุณมีที่คุณเป็นยนยะมันก็ทำต่อไปอีกเพราะนั้นใครที่ทำอย่างนี้เหมือนกั น, นก็พวกเลยทันทีเลยพอเจอเจอกันเข้าไปด้วยกันได้เลยเป็นหมู่เป็นพวกเป็นกลุ่มกันได้อย่างเดิมอีกแล้วจริงๆคุณไปอยู่กับหมู่อื่นกลุ่มอื่นก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่รับว่าบิญยานเนี่ยมันไม่รับถ้ามันรับไอ้ที่เป็นกระแสเดียวกันหรือว่า พวกเดียวกันเท่านั้นมันจะรับและไปด้วยกันได้ซึ่งพอใครเนี่ยเข้าใจสภาวะอย่างนี้ได้คนนั้นก็จะนะปฏิบัติประโยชน์ตนประโยช น, ยชน์ท่านเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆแล้วนะอันนี้พูดประโยชน์ท่านไปให้ฟังแล้วนะคราวนี้ย้อนกลับมาที่ประโยชน์ตนซึ่งบางคนเนี่ยก็เข้าใจอยู่แค่ว่าประโยชน์ตนก็คือเราเนี่ย ทำอะไรที่มันเป็นผลดีกับเรา<ม>ใช่ไหมเป็นผลประโยชน์ของเราอะ่ะไอ้คําว่าประโยชน์เนี่ยจริงๆมันยังทุกวันนี้มันเอาไปใช้ในทางเสียบ้างอะ่ะบางทีในในแง่บางทีอะ่ะโอ้ไอ้นี่นี่ทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองคือคือพูดอย่างนี้เนี่ยจริงจประโยชน์นี่คําว่าประโยชน์นี่ดีนะปะยชนแง่สร้างสารรค์ปนแง่ดีแต่ ทุกวันนี้บางทีไปใช้แ ง, ง่ไม่ดีอ่ะผมว่าโอ้ยทาแบบหวังผลประโยชน์มันนี่แง่ไม่ดีนะก <g> ล <ay> ายเป็นแง่ลบกลายเป็นแง่เสียไปละทั้งทั้งที่บอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ตนประโยช น, ยชน์ท่านในที่นี้หมายถึงแ ง, งด่ดีไม่ใช่หมายถึงแ ง, ง่ร้ายไม่ได้หมายถึงแ ง, ง่เสีย้แ ง, ง่เสียไม่ต้องพูดถึงเลยยิ่งคราวนี้ถ้าเราบอกว่าประโยชน์ตนของเราเนี่ยถ้าคุณทําอะไรโดยที่เราเราเอาบอกว่าประโยชน์เราก็คือทําแล้วเราสุขใจ เราสบายใจนะโอ้โหอันนี้ผิดอย่างหนักเลยใครที่เริ่มด้วยตรงเนี้ยผิดอย่างหนักแล้วเพราะบางทีเนี่ยไอความสุขใจความสบายใจของเรามันไม่ได้เป็นประโยชน์ของเรานะมันเป็นโทษของเราก็ได้เพราะคุณอาจจะทําผิดผิดก็ได้อ่ะแต่ว่ามันมันถูกใจเราอ่ะมันได้สุขใจเราอ่ะนั่นแหละ มันต้องไวๆแล้วต้องคิดให้ทันว่าคาว่าประโยชน์ตนของเรานี่มันหมายถึงว่าถ้าเราจับอารมณ์จิตของเราได้ไงนะว่าถ้าทําอะไรไปแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้คือบางทีเนี่ยไว้ใจจิตตัวเองทีเดียวก็ไม่ได้มันหลอกมันหลอกตัวเราเองได้เก่งใช่ไหมเพราะว่ามันบางทีมันอยากจะให้สมใจมันก็หาเหตุผลต้นเหตุผลนี้มาหลอกเราก็ได้อะ เพราะนั้นบางทีเนี่ยเราก็ต้องอาศัยอาศัยอะไรบ้างอาศัยศีลบ้างอาศัยตะบาบ้างอาศัยอะไรต่างๆที่เป็นกุศลทั้งหลายเนี่ยอาศัยเอามาตรวจเอามาเทียบเคียงดูเอามาจับผิดเราว่าเนี่ยไปประโยชน์ตนของเราจริงหรือเปล่าเพราะนั้นบางทีเนี่ยไม่เป็นความสุขเลยนะ เป็นการฝืนใจเป็นความลำบากใจเราด้วยซ้ำไปที่เราจะต้องทำอย่างเงี้ยแต่นี่แหละประโยชน์ตนเพราะอะไรเพราะไอ้ที่เราฝืนใจบางทีโอ้โหลำบากนะทุกนะอย่างเงี้ยแต่ไอ้ที่ทำไปขนาดเนี้ยเทียบแล้วโอ้โหถูกศีลเลยถูกทำเป๊ะเลยนะทำไปแล้วก็ก็ดีสำหรับอะไรอะ่ะดีสำหรับเราดีสำหรับคนอื่น เพียงแต่ว่าแหมททำไปแล้วเราก็ถูกเราก็อึดอาจก็ลำบากใจอยู่นะแต่มันดีแหละสำหรับเราสำหรับคนอื่นนั้นละก์ศีลทูกทําด้วยอันนี้คุณต้องชัดเลยว่าอันนี้นหะลเป็นประโยชน์ต้นแต่บางทีอย่างไหนเนี่ยอย่างที่บอกทาไปแล้วเนี่ยใช่มถูกใจเราสมใจเรา แต่ปรากฏว่าพอเอาศีลเอาตะบะเอาอะไรมาเทียบแล้วไม่ถูกเลยผิดศีลผิดวินยัยผิดตะบะผิดข้อธรรมมรในการปฏิบัติต่ตางๆแล้วโอ้ต้องรู้เลยอันนี้ไม่ใช่แล้วอย่าหลอกตัวเองต่อไปอย่าหลงตัวเองต่อไปจะต้องรู้เลยว่านี่มันไม่ใช่ประโยชน์ตนแล้วอันนี้มันเป็นประโยชน์ของกิเลส ไม่ใช่ประโยชน์ตนของเราจริงๆเป็นประโยชน์ของกิเลสในตัวเรานี่แต่ไม่ใช่ประโยชน์ของเราจริงๆแล้วมันจะทำให้กิเลสโตขึ้นด้วยเนี่ยพอเราเปรียบเทียบอย่างนี้เราถึงรู้โอ้ไม่ได้ละไม่ได้ละแต่ไม่ได้หมายความว่าทำอะไรแล้วต้องทุกข์ไปเสมอบางอย่างทำไปแล้วก็สดชื่น ยำสาเบิกบานตัวศีลตัววินยัยตัวธรรมะแล้วก็โอ้ก็ดีก็ถูกต้องด้วยอ้าวอย่างนี้ไม่ใช่กิเลสเราแล้ ว, ลวนะเพราะฉนั้นอย่าไปเข้าใจแต่มุมเดียวว่าเออเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมแลแม้วแหมมันต้องมีแต่ทุกข์เท่านั้นจะแม่ต้องลําบากมีแต่ทําแล้วมีแต่ลําบากอย่างเดียวไม่ใช่หรอกนะถ้าความลําบากนั้น ตั้งอยู่บนศีลศีลธรรมแล้วทําไปแล้วเนี่ยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคุณได้แน่นอนตรวจดูแล้วชัดเจนเลยไม่โกหกไม่หลอกลวงตัวเองเพราะฉะนั้นคนนี้ทําไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ลำบากด้วยคุณสุขสบายด้วยแต่ความนี้คราวนี้เป็นสุขสบายที่ได้มาโดยทำได้มาตามธรรมตามธรรมะเนี่ย ไม่อย่างนั้นคนปฏิบัติธรรมก็ไม่สามารถที่จะเบิกบานในธรรมได้สิบางคนปฏิบัติธรรมสามารถเบิกบานในธรรมได้เพราะอย่าไปอย่าไปเข้าใจมุมเดียวเพราะว่าบางทีนี่เดี๋ยวได้ยินบ่อยๆว่าตั้งตนบนความลําบากกุศลธรรมเจริญคราวนี้คราวไหนปรากฏว่าถือศีลปฏิบัติธรรมไปเสร็จใช่ไหม ส, สบายแล้วคราวนี้ชักรู้สึกแหม มีปิติมีสุขมีความสบายเลยนึกว่าไอ้นี่มันเป็นอกุศลธรรมหรือเปล่าเพราะว่ามันสุขมันสบายเนี่ยคุณอยียบเลอะเทอะนะอย่าไปเข้าใจผิดเนี่ ย, ยถ้ามันถูกศีลถูกธรรมแล้วแล้วคุณสบายด้วยเนี่ยถูกต้องเพราะจริงจริงปฏิบัติไปแล้วเนี่ยคุณต้องพ้นทุกข์ได้คุณปฏิบัติแล้วคุณไม่พ้นทุกข์ตายเลยยิ่งปฏิบัติแล้วก็ยิ่งลําบากยิ่งเหน็ดเหนื่อยโอ้โหจนกระทั่ง หาเวลาสุขไม่ได้เลยนะคุณมีแต่ทุกข์อย่างเดียวตายแน่แนไปไม่รอดเลิกแน่เลิกปฏิบัติแน่นอนเพราะมันก็ต้องมีความสุขแต่สุขแบบนี้เป็นสุขแบบปรมัตดเป็นสุขแบบโลคุตระไม่ใช่ไปสุขแบบโลกโลกถึงบอกถ้าสุขแบบโลกโลกเนี่ยมันจะผิดศีลผิดธรรมนะมันจะเป็นอย่างนั้นสุขแบบนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะพรานประโยชน์ตนพรานประโยชน์ท่านแน่นอน แต่สุกแบบปฏิบัติทำแล้วจริงส่วนใหญ่จะลำบากก่อนมันต้องฝือมันต้องสู้กับกิเลสเราแต่พอเราสู้ไปบอกแล้วไงคุณสามารถปรับเปลี่ยนจิตใช่ไหมเป็นกุศลได้มากขึ้นคิดในแง่ดีได้มากขึ้นไองแง่ลบแง่ร้ายก็ลดลงไปเรื่อยๆโดนคุณล้างโดนคุณกำจัดไปไดเรื่อยๆจิตคุณก็ดีขึ้นเรื่อยสิดีขึ้นเรื่อยสเป็นกุศลเรื่อย จิตคุณจะผ่องใสขึ้นเรื่อยๆนี่แหละความผ่องใสของจิตที่กิเลสมันน้อยลงนี่แหละนี่แหละเป็นความสุขยังถูกทำเป็นความสุขอย่างถูกต้องเป็นความสุขที่คนปฏิบัติแล้วต้องมีต้องเป็นคุณปฏิบัติแล้วไม่มีไม่เป็นอย่างนี้คุณแย่แล้วแสดงว่าคุณปฏิบัติแล้วมันไม่มีผลเลยเพราะ ปฏิบัติแล้วเหมือนกับเริ่มต้นอยู่อย่างแค่นั้นน่ะปฏิบัติเท่าไรเท่าไหร่ก็เริ่มต้นอยู่แค่นั้นเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติตอนเริ่มต้นเนี่ยมันสู้สู้กับกิเลสมันมีแต่หนักเหนื่อยนั้นต้องฝืนใจต้องโอ้โหอดทนข่มฝืนถ้าอย่างนั้นคุณปฏิบัติทำไปโห้หคุณต้องอดทนข่มฝืนไปตลอดชีวิตตายใครอยากจะปฏิบัติโอ้โหไม่มีใครอยากปฏิบัติน่ นั้นแล้วอย่างไน้อยเนี่ยมันปฏิบัติไปเนี่ยมันก็ต้องเก่งขึ้นสิมันก็ต้องชํานาญขึ้นขนาดเนี่ยคนโง่แสนโง่นะที่มันจําอะไรไม่ค่อยแม่นเน่ยคุณเปิดเพลงให้มันฟังทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าในที่สุดมันจะร้องเพลงนั้นได้มันโง่ชที่มันจําอะไรไม่ค่อยได้เลยก็แล้วแต่ในที่สุดเดนมันจะต้องค่อยๆจําได้ขึ้นมาถ้าเราเปิดมันทุกวันซ้ํามันอยู่ทุกวันอย่างเนี้ย แล้วมันก็จะเริ่มมีความสุขที่ว่าเออมาร้องเพลงได้นั่นแหละเหมือนกันคนเราจริงๆม็นอย่างนั้นนะเอา้าคราวนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยจริงๆจะขยายมากกว่านี้อีกนะแต่พอดีเวลามันไม่พอเพราะจริงๆเนี่ยตะกี้อาตมาพูดสิหนห้าไปพูดอะไรไปเนี่ยมันจะขนาดนึงเท่านั้นแต่ที่จะพูดให้กว้างกว่า น, นี้ จะพูดขึ้นไปโลกกระทำแปดเพราะถ้าพูดโลกกรรมำแปแล้วพวกคุณจะยิ่งชัดขึ้นในเรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจะยิ่งชัดขึ้นเลยว่าโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่คงพอสนิ้กัน